ทุกทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขานิโรธอทุทุกขะสมุทัยนิโรธทุกขะฉันทราฆานิโรธอัสาธาซึ่งอัาธาก็เป็นไวัยพจน์ที่ใช้แทนสองคำเนี่ยเหมือนกันอารทีลวะก็เหมือนกันนิสรณะก็เหมือนกับสี่คำเนี่ยเหมือนกันไหมหนึ่งทุกสองสมุทัยสาม นิโรธมร ก, ก็อยู่ตรงเนี้มร ก, ก็ชื่อว่าอยู่กับนิสรณะอยู่แล้วอริยมรกันนะมันก็ไม่พูดนิพพานก็พอไม่ต้องพูดมรเพราะธรรมชาติของมรแสวงหานิพพานหรือผู้ใดปรารถนาบรรลุนิพพานก็ต้องเจริญมรทำให้เห็นภาพอีกอย่างหนึ่งในการบรรลุอริยสัตว่าเข้าบรรลุอริยสัตว์กันอย่างไรอย่างเช่นทุกนี้ทุกนึกถึงอะไรก่อน เมื่วานี้ทุกข์ทุกนี้วิปริณามะทุกขนี้สังขาระทุกขทุกอย่างในโลกนี้ที่เรียกว่าเป็นทุกข์เพราะนับเนื่องในทุกข์สามอย่างเรียกว่าทุกขตาสามทุกขตาสามตาตัวนี้แปลว่าภาวะความความเป็นทุกข์มีอยู่สามประเภทหนึ่งทุกข์ทุกทุกขะทุกขะแปลไทยๆว่าเจ็บเจ็บเจ็บปวด เจ็บด้วยปวดด้วยเด็กก็เจ็บปวดปวดทั้งกายปวดทั้งใจอย่างเงี้ยต่อไปวิปริณามาทุกขทุกเพราะความสุขหมดไปอะไรถ้าความสุขหมดไปเนี่ยมันก็คือทุกข์อ่ะนะถัดจากนั้นก็ทุกข์นะเหมือนกับลูกที่มันลูกไข่ๆลูกป่วยๆใช่ไหมเราก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กคนเนี้ยกำลังป่วยอยู่มีเรื่องให้เขาคขำๆมันนะก็คขำไปสนุกไปเดี๋ยว ร, ร้องไห้ทั้งคืนกลางวันหัวเราะกลางคืนร้องไห้ไง ทีนี้ถ้าผู้เป็นแม่เขามองเห็นก็จะว่าไงนะเคยเคยเห็นเขาเลี้ยงเด็กไหมแสดงว่าไม่เคยเลี้ยงน้องเขามาเคยเลี้ยงเด็กเลี้ยงน้องอนะเพราะว่าถ้าเลี้ยงเนี่ยเป็นยังไงตอนข้าเขากลางวันเขาก็ร่าเริงดีอนะกลางคืนก็สมทั้งคืนเลยงนะั้นก็พกุ่ปรินามาทุกข์แม้ความสุขที่มีอยู่ทําเป็นหัวเราะไปเถอะเดี๋ยวก็จะร้องไห้เหมือนอะไรนะเหมือนรถที่ไปเที่ยวร้องเพลงเคยเคยเห็นรถ กระถินพระป่าร้องเพลงสนุกมากเมาแอไปแล้วก็ชนครบแล้วกหลังจากนั้นทุกอย่างเดียวแล้วก็ตอนแรกกราทุกข์ก่อนเออเพราะนั้นความสุขเหล่านั้นเราจะเรียกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่ เ, เห็นหัวเราะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ตายแลยนะ้วไงนั่นแหละก็ทุกข์นะ เ, เคยดูแบบแคล้ายๆภาพยนตร์ไหมในเรือมีความสุขร้องรําทําเพลงบนเรืออีกพักเดียวเรือจมเนี่ยนะร้องกันส น, นั่นเรือไปหมดก็แสดงว่าไอ้ความสุขที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอะไร เรียกว่าวิปรินนามะทุกแล้วก็สังขารในโลกก็เป็นสังขารทุกขนี้ทุกอันนี้คือทุกข์ทุกเนี่ยนะทุกเหล่านี้ล้วนแต่มีเหตุเป็นแดดเกิดเมื่อวานบอกว่านันทีเป็นมูลของทุกใช่ไหมนันทีนี่เป็นรากเงาของทุกเพราะฉะนั้นทุกขสมุทัยนี้ก็คือนันทีหรือนันันหาเมื่อวานที่บอกว่าที่ไปไปคิดมาบ้างหรือเปล่าว่านี่นะทุกคนมีตันหาพามาทั้งนั้นเลย โดยเบญจาก็ตันหาพรมาเกิดจริงๆนะทุกคนเนี่ยเหมือนกันหมดหลยขอมาก็เหมือนกันโดยที่สุดแม้แต่เจ้าชายสิทธัตถะก็ตันหานะพรมาเกิดนะดูก่อนตันหาผู้สร้างเรือนพองอย่างตอนบรรลุแล้วพง์ก็ตรัสอย่างนี้ใช่ไหมดูก่อนนายแอดนายช่างผู้สร้างเรือนคือตันห า, เ, านะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสแสวงหาตันหาคือนายช่างผู้สร้างเรือนไม่พบเนี่ยนะ ก็เลยท่องเที่ยวเวียนไหว้ตายเกิดอยู่ในวตัตฏะเนี่ยทุกแล้วทุกเล่าทุกแล้วทุกเล่าอ่ะนะแบบนี้เราเห็นท่านแล้วเห็นแล้วคือเห <อ comics. S 2> ็นเนี่ยผลของท่านนะท่านสร้างให้เราเนี Note ้ท่านสร้างอะไรให้เราสร้างแต่ทุกให้เราอนะรู้แล้วตัวเนี้ยตัวก่อนหนี้ละนะตัวเนี้ยตัวก่อนนี่ตัวก่อทุกตอนนี้เรารู้จักเจ้าแล้วย่อเรือนของเจ้าเราก็รื้อเสียแล้วนะสรุปว่าทํำลายเรือนหมดสิ้น จิตของเราเนี่ยถึงวิสังขานคือนิพพานแล้วปัรลุธรรมเป็นที่สิ้นตัญหาคืออรหั ต, ตผลมันก็พูดอย่างนี้นสรุปว่าทุกขสมุทัยนั้นก็คือทุกทั้งมวลล้วนแต่มาจากตัญหาและทุกขานิโรธก็ดับความทุกข์สามประการเหล่านี้ดับทุกข์ก็ดับสมุทยัยเรียกว่าทุกขานิโรธทีนี้ถ้าจะดับทุกข์ไหนก็ดับที่เหตุแห่งทุกข์คือทุกขสมุทยัย สรุปว่าดับทั้งตัวทุกข์ด้วยดับทั้งเหตุแห่งทุกข์ด้วยทุกขสมุทัยนิโรธนะทุกข์นิโรธทุกขสมุทัยนิโรธแต่จะจะบรรลุทุกข์นิโรธกับบรรลุทุกขสมุทัยนิโรธบรรลุด้วยอะไรท่านจึงบอกว่าดับฉันทราคานะดับฉันทราคาในทุกข์เสถียรเชื่อไหมเราก็ยังชอบความทุกข์อยู่เพราะผู้ใดชอบสุขผู้นั้นแหละเรียกว่าชอบทุกข ถ้าผู้ใด ย, ยังชอบสุขเวทนาอยู่ผู้นั้นก็ชื่อว่าชอบทุกขเวทนาผู้ใดชอบร่างกายให้อยากให้ร่างกายมีความสุขถามว่าเขาชอบทุกขหรือไ ม, ออม่ชอบโดยอ้อมชอบโดยอ้อมเพราะว่าร่างกายทั้งหลายเจ็บป่วยเป็นนำมาซึ่งทุกข์จนได้ดับทุกข์จริงๆก็ต้องดับที่ดับฉันทราคาในทุกข์แต่ว่ามันดับยากมากเพราะมันมีอาสาทะอาสาทะของ ของทุกนะมีมียิ่งใหญ่จริงๆเลยอัาทะคือความน่ายินดีของสิ่งนั้นนะนะเครียกว่ายิ่งวัตถุที่เรารักนะรักมากเพียงใดเราไ ม, ไม่ไม่กล้า น, นึกแม้กระทั่งว่าเขาตายอ่านะวัตถุอันเป็นที่รักนะเราเคยคิดไหมว่าเขาต้องตายเป็นธรรมดาสมมุติถ้าเราวัตถุนั้นเราเพลิดเพลินที่สุดชอบที่สุดยินดีที่สุดนะไม่กล้าคิดเลยว่าสิ่งนี้ป่วยเป็นไม่กล้าคิดด้วยว่าสิ่งนี้ตายเป็น ไม่คิดว่าสิ่งนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ไม่กล้านึกเลยอันนี้แหละเรียกว่าอัาธาละล่ะความที่เรียกว่ามันถูกฉาบทรรมไม่คิดเลยว่าจะมีโทษอนะที่บางท่านเล่าว่ามันเข้าข้างโดยประการทั้งปวงอนะเข้าข้างทั้งๆ ท, ที่สิ่งนั้นมันไม่ดีจริงแต่ก็พยายามจะเข้าข้างพยายามที่จะลกลบเกลื่อนปอกปิดอยู่นั่นแหละอันนี้เรียกว่าอัศทะของเขาละ่ะเหมือนอย่างที่บางท่านก็บอกว่าถ้าลูกเราน่ยดีหมดเลย นะไม่มีเสียดีหมดอะไรก็ตามอะนะแล้วก็แต่ว่าในที่สุดโทษมันก็กำเริบจนได้อย่างที่ว่านะถ้าบางอย่างนะเอาเสือเอาอะไรมาปิดปิดก็อยู่ใช่ไหมเอาใบาบัวมาคลุมไ ห, หน่อยก็อยู่แต่ถ้าช้างเน่าอ่ะคลุมไม่ได้นะ <laughs> ชาติชรามรณะนะมีใครมาปกปิดได้จริงบ้างอ่ะปกปิดทำให้ไม่ทาให้เดียวก่วา ปกปิดทำให้ไม่เหมือนคนแก่เลยนะอาจจะทำได้ช่วงแรกๆปกปิดทำตัวเหมือนไม่แก่นะไม่ยอมบอกอายุใครด้วยปกปิดไว้ตลอดเลยนะอาจจะได้ช่วงกีปีแรกนี้อายุ80แล้วปิดอยู่ไหมถ้านางวิสาขาอาจจะปิดได้นะต้องนางวิสาขาต้องไม่เดินนะต้องนั่งสำรวมหน่อยนะแล้วเขาจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นย่าเป็นหลานเนยนะเขาดูไม่ออกหรอกแต่ถ้าลุกเดินปั๊บเมื่อไหร่เขารู้เอแก่ลนะ เพราะเพราะคนแก่มันก็แก่วันยังเข้าอนะผิวข้างนอกถึงจะดูว่าดูดีอยู่แต่ก็อย่างว่านะเพราะข้างในมันมันแย่เต็มทีแล้วถึงรถจะทําสีมาใหม่มันก็รถเก่านั่นแหละอาทีนาวมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะในที่สุดโทษมันก็ปรากฏจนได้แต่ว่ามันออกได้นะเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทนอยู่กับทุกข์นั้นอะไรนะนิสารณะคือการ ออกจากทุกข์เราไม่จําเป็นต้องไปเฝ้าทุกข์อันนั้นตลอดไปหรอกออกได้นะออกได้แต่ถ้าจะออกจากทุกข์ก็ต้องทุกขนิโรธทุกขนิโรธเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์ธรรมก็ต่อตรงนี้ปฏิปักกันเลยระหว่างทุกข์กับทุกขนิโรธนี่ตรงกันข้ามคือสังคตตาสังคตะทุกข์ขดสมุทัยกับทุกข์ขดสมุทายนิโรธเนี่ย น, นี่ก็คือปฏิปักต่อกันเนี่ยนะคือจริงๆแล้วมันดับได้นั่นแหละเป็น นิสระณะแต่แต่อย่าลืมนะปฏิบัติทำในาศาสนานี้คืออะไรปฏิบัติเพื่อดับฉันทราคะในในโลกเนี่ยนะในโลกทั้งหมดเลยแหละอันถ้าผู้ที่ปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติเพื่อดับฉันทราคะในโลกแต่ทีนี้ดับฉันทราคะในโลกเอาพอใจที่สุดตัวตรงนี้อทําทใจลําบากมากมากเลย ถ้าดับนในที่อื่นๆดับในที่ที่เราไม่ค่อยชอบไม่ยากใช่แต่ดับในสิ่งที่เราชอบนี่โหคิดแล้วคิดอีกมันก็ไม่เป็นไรไปสาธยายไว้เถอะรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปเสียรูปที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขขอสาธยายบ้างก็ยังดีนะถึงตอนนี้จะติดอยู่แต่สักวันหนึ่งจะต้องละให้ได้ก็ประกาศความเป็นศัตรูกับปัญหาไว้แล้ว แต่ตอนนี้ขอยอมก่อนมันเหมือนกับว่าอาหารนะฉันจะต้องรักษาอุโบสถศีลบ้างล่ะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ถึงวันพระเลยยังเลิกมื้อเย็นไม่ได้เดี๋ยวรอวันพระก่อนนะงั้นแต่ว่าประกาศศึกไว้แล้วไม่ขอเป็นทาสของลิ้นอีกต่อไปแต่ว่ารอวันพระก่อนนี้ทุกอนะเรือก ม, มาเอาขันท่ามาจับเลยนะรูป รูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปสมุทยะนิโรธรูปฉันทราคะนิโรธอาทะของรูปอาทีนวะของรูปเนสรณะของรูปเนี่ยนะนีถ้าหากว่าใช้คำว่าทุกข์นะโอมันน่าดับจริงๆถ้าใช้คำว่ารูปโดยเฉพาะปิยรูปสาตรูป ปิยรูปสาตรูปนะถึงจะปิยะแปล ว, ว่าชอบน่าชอบน่ารักมากสาตะน่าพอใจมากสภาวะใดที่น่าพอใจน่าปรารถนาเรียกว่าปิยรูปสาตรูปแต่รูปเหล่านี้นะอยู่ในกลุ่มทุกรูปนั้นเนี่ยนํามาซึ่งทุกขะทุกขรูปนั้นเนี่ยนะดีตลอดไปไหมไม่ดีตลอดไปเรียกว่าวิปริณามทุก์รูปครั้งมวลก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงก็เป็น สังขารทุกข์เพราะฉะนั้นรูปคือทุกข์สามประการรูปตัวนี้เนี่ยนะก็มีเหตุเป็นเกิดใช่ไหมรูปสมุทัยแต่รูปเนี้ยดับได้จริงนะอันนี้เรียกว่ารูปนิโรธรูปเหตุที่สร้างรูปนะก็ดับได้จริงเรียกว่ารูปสมุทัยนิโรธคือดับได้จริงๆแหละตัวรูปเนี่ยดับเหตุรูปก็ดับได้จริงเหตุให้เกิดรูปก็ดับได้จริงเพราะอะไร เพราะดับฉันทราคาในรูปถ้าดับฉันทราคาในรูปได้จริงก็ต้องละละรูปได้จริงๆแหละแต่ว่าละไม่ง่ายหรอกเพราะอาสาธ่มันแรงนะสรุปว่าเหมือนกับอย่างอาหารใช่ไหยดับได้จริงแบ่แม้มันอร่อยละยากแต่ว่าอาหารนั้นก็มีโทษหรือเกินเนี่ยนะเพราะเหตุแห่งปากแห่งทองนะถ้าเรามาคิดทบทวนให้ดีเนี่ยชั่งนารูปนะเหตุให้เ รูปเนี่ยเพราะเหตุแห่งปากแห่งทองเนี่ยคนเดือดร้อนเท่าไหรอย่าลืมว่าผู้กําหนดรูปจริงๆคนนั้นจะต้องกําหนดอาหารถ้าใครเรื่องรู้เรื่องรูปประคันดีจริงๆนะคนนั้นจะต้องรู้อาหารเพราะอาหารเนี่ยรูปเนี่ยมันดํารงอยู่ด้วยอาหารดํารงอยู่ด้วยกับพลิงกะราหารถ้าใครจะเบื่อหน่ายในรูปนะต้องเห็นโทษของอาหารให้มากๆเพราะว่ามือ้ออาหารเนี่ยนะสมมติว่าในขณะที่เราบริโภคอาหารหนึ่งคำ หนึ่งคำขัาที่เราบริโภคกลืนเข้าไปเนี่ยนะเราบริโภคอาหารสี่ประการแต่พลิงกระหารมาบำรุงกายหนึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมสองถ้ารถไม่ได้เรื่องเลยเอาไหมไม่เอาเนาะผัสสะอาหารต้องเอาผัสสะดีๆใช่เพื่อให้เกิดสุขเวทนาเวลาเราเคี้ยวกินเนี่ยเป็นกรรมไหมเป็นมโนสันเจตนาหาร ถามมาถ้าจุติตรงนั้นนะวิญญาณอาหารอย่างลงได้ไหมปฏิสนธิได้ไหมได้แล้วอาหารในคํานั้นเชื่อไหมว่ามีสัตว์อยู่ด้วยถ้าอาหารเก็บไว้นานๆเลยนะก็มีสัตว์อยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ เ, เชื้อโรคไม่ใช่อาหารไม่ใช่สัตว์แต่ถ้าเป็นพญาธิไนมะ่ใช่กลุ่มพยาธิกลุ่มกินวิชาติ น, ะนะะะนั่นนะท่านก็มีอาหารสี่ประการอยู่ในนั้นนหละทุกคาข้าวที่เรากลืน อาหารแต่ละคําเนี่ยได้มาอย่างไรคานวณว่าถ้าเรานึกถึงกระบวนการผลิตแม้แต่ข้าวข้าวหนึ่งจานเนี่ยแทบไม่อยากกลืนเลยเนียถ้ารู้การกระบวนการผลิตเข้ามาตลอดสายจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าข้าวแทบไม่อยากกลืนลงเลยเพราะมันเดือดร้อนมากๆลาบากมากๆกว่าจะมาเป็นแม็ดข้าวทุกอย่างก็เหมือนกันเนี่ยทุกอย่างหมดเลยในโลกเนี่ยรู้เบื้องหลังทั้งหมดจะรู้ว่ามาด้วยความเหน็ดเหนื่อยทั้งนั้นเลยไม่น่าติดข้องอะไรเลยมันรูป ถ้าเรารู้จริงๆนะรูปเนี่ยเป็นไปกับทุกขกทุกเป็นไปกับวิปริณามาทุกขและรูปทั้งหลายเป็นสังขาระทุกขรูปเหล่านี้ไม่ได้เกิดลอยๆมีรูปสมุทัยเป็นเป็นตัวสร้างรูปนี้สร้างได้ยังไงวิธีสร้างรูปเพลิดเพลินในรูปคือการสร้างรูปทุกครั้งที่เราเพลิดเพลินในการเห็นสร้างตาทุกครั้งที่เพลดิดเพลินได้ยินเสียง สร้างหูเพลิดเพลินในการรู้กลิ่นสร้างจมูกเพลิดเพลินในการรู้รสสร้างลิ้นเพลิดเพลินในการรับกระทบโพธะสร้างกายถ้าเห็นรูปแล้วให้ทานสร้างตาโดยที่สุดจะเห็นได้ยินรู้รู้กลิ่นเป็นกุศลก็ยังสร้างวัตตะอยู่ดีถ้าไม่ตัดฉันทราคาในสิ่งเหล่านี้นะถ้าไม่ราคาในวัตถุเหล่านี้ก็ยังสร้างวัตถุเหล่านี้อยู่ดีนะก็ ใครที่อยากพิจารณาเริยศัสตร์แบบกว้างขวางแปดในแปดในเลยนะรูปรูปสมุทยัยรูปนิโรธรู ป, รปสมุทัยนิโรธรูปฉันทรา่านิโรธอัศาธาแห่งรูปอาทีนวะของรูปนิสรณะของรูปถ้าพิจารณาตามนี้ได้ก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้ก็หมุนด้วยสองร้อยหนึ่งอีกที